ศีลธรรมไม่กลับถวายตามวัดวาอารามโลกาจะวิบัติขอเชิญท่านทั้ง 6438770 ครับ 0846438770 ครับหลวงทองวัดลาดบัวขาวหรือว่าหลวงปู่ 4 อายุแค่ 30 กว่าปีเท่านั้นแหละวัดลาดบัวขาว ลาดบัวขาวด้วยความสงบเรียบร้อยไม่เคยมี พอถึงเวลาเย็นเจ้าของวัวควายเหล่านี้ก็ต้อนวัวควายของตัวกลับเข้าคอกไม่เคยมาเก็บกวาดความสกปรกที่ ถ้าไม่เชื่อและต่อปากต่อคําก็จะกลายเป็น ก็เข้ามาค้นหาในเขตวัดจนทั่วก็มองไม่เห็นเจ้า เป็นอารามในพุทธศาสนาการที่นําบัวควายเข้ามาเลี้ยงทําความเลอะเทอะให้กับวัดเป็นสิ่ง แต่ก็รีบลงไปใต้ถุนกุฏิก็เห็นกระลาวาง คราวนี้ชาวไทยมุสลิมเหล่านั้นซึ่งสงสัยในอิทธิฤทธิ์หลวงปู่ทองก็รีบลนลานแล เมื่อเรื่องนี้ถูกเล่าแพร่หลายออก อ่าท่านก็จะออกจากวัดเดินจาริกสู่ป่าๆจะเข้าบรรษาท่านจึงจะ เช่นลูกศิษย์คนหนึ่งคือพระยาปหณพลพยุหะเสนาซึ่งเป็นผู้ปี 2475 นั่นทราบว่าหลวงปู่ทองกลับจากทุโดงก็ส่งรถทหารไปรอ เอ่อวิชาย่นระยะทางเนี่ยท่านผู้ฟังที่ว่า 3 ยันท่านไปแป๊บ 3 ยัน เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่าน 100 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นพระรุ่นใหม่นี่ก็จะไม่ค่อยมีใครเรียนวิจารณ์นี้กันหรอกที เอาเรือกลับวัดไปก่อนท่านจะเดินชมตลาดสักครู่แล้วก็จะตามไปลูกศิษย์ก็เอาเรือล่องกลับวัดการคมนาคมสมัยนั้นเส้น จะว่าท่านเดินมาทางบกไม่มีทางมาถึงก่อนแน่เพราะ ฤทธิ์อภิญญาหลวงปู่ทองปรากฏให้ประจักษ์มากมายหลายเรื่องโดย ในตาพระนี่หายพระองค์แรกก็รีบไปกราบเรียนหลวงปู่ทองท่านได้ฟัง เขาก็ปกติเหมือนกับคนทั่วๆไปทําให้ผู้ชายพวกนี้ตกใจบอกหลวงปู่ว่าพลอยได้กลับมาอยู่ที่เก่าแล้วท่านก็บอกว่า ทำให้เขาเกิดความยำเกรงหลวงปู่ เอ่อหรือว่าเอ่อมีครรณะน่ะนะครับถ้าฝันว่าเห็นพระได้รับพระกับมือ ทีนี้นิมิตหมายอันดีก่อนที่จะตั้งครรภ์อีกอย่างนึง อ่าก็บอกหรือว่าพระครูภาวนาวิสุทธิ์ต่อๆกันมาส่วน 2200 น่ะ จังหวัดสิงห์บุรีนี่มีผู้เรืองปัญญาพระท่านนามสกุลเก่าคือนามสกุล คนสิงห์บุรีโดยกําเนิดเลยพี่น้องทั้งหมดก็ 10 คนท่านเป็นคนที่ 5 แล้วโยมพ่อโยมแม่ท่านก็เป็นอย่างงั้นแหละทำนาด้วยค้าขายด้วยทรัพย์สมบัติที่ได้มานี่โยมพ่อโยมแม่ไม่ใช่ตะบี้สบันเก็บตะพึดน่ะ เก็บก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักนะชีวิตทาง 4 จากนั้นท่านก็มาเรียนทางดนตรีไทยขับร้องอ่าคงจะชอบ นักดนตรีแล้วก็มาเรียนโรงเรียนตำรวจนะตอนนั้นฝากไว้กับจอมพล ป. พิบูลย์สงครามหลวงทราห์ไปที่เกิดมาท่ามกลางความดิ้นรน ในเมื่อยังเป็นอยู่เมื่อยังเป็นอยู่ก็ต้องดิ้นรนหลังจากออกมา 20 ปีพอดี 2491 บวช แห่งศีลธรรมมันดีงามท่านเคยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาอยู่เสมอบอกว่าไอ้การบวชกายวาจาใจเข้ามาเพื่อเป็น 5 เค้าปราบนี่คือ วัดหนองโพนะจังหวัดนครสวรรค์บุกน้ำข้ามทุ่งเลยเริ่มแรกเอ่อใครก็ตามถ้าเอ่อ นี่หลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากท่านพระครูนิวัธธรรมขันธ์เนี่ยนะโด่งดังมากเลยเวลานั้นศึกษาอยู่กับ ไปเรียนออกจากวัดอโศการามแล้วก็บุกป่าฝ่าดงไปบำเพ็ญเพียรเดินทุรดงไปๆๆ หลวงอย่างเช่นจรัญเคยไปศึกษาเนี่ยอย่างเช่นหลวงพ่อจงวรรณนอกอ่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผมเคยเล่าให้ฟังหลวงพ่อจาดวัด 3 นี่แค่ชื่อก็ดังระเบิดเถิดเทิงแล้ว บอกว่าจิตใจต้องเข้มแข็งถึงจะสามารถๆมันไม่ยากอ่ะๆเนี่ยมันมี ได้ยินข่าวคราวเค้าเล่าว่าหลวงปู่ฟั่นอาจาโรเพ่งมองเครื่องยนต์ง่ายๆว่าเจ็บป่วย สองแรงเห็นผู้ทำประโยชน์แก่ หลวงสองปีเต็มเต็มเลยสอนเต็มกำเนิดด่าสอนให้ 2 ปี วัชรเกตนะไปเรียนกับพระสังฆราชวัชรเกตวังเวงป่าอัศจรรย์ก็มี เมื่อมีบ้านมีเมืองอยู่แถวนั้นบางคราวก็ได้ยินเสียงไก่อบน้ําหอมหอมตัวลม บางทีได้ยินเสียงคุยกันแต่ก็จับใจความไม่ได้อะไรๆก็ไม่ร้ายเท่ากับกลิ่นกับข้าวเนี่ยกินข้าว หลวงพ่อจรัญๆจนทั่วประเทศทั่วประเทศก็เดินธุดงค์ย้อนกลับมาทินมาถึง 2500 พอดีวัด เจ้าอาวาสแทนพระอธิการลำที่ท่านลาสิกขาไปวัดอัมพวันนี่ก็แปลกเจ้าอาวาสร้างบ้างรุ่งบ้างดีบ้างเอออยู่ไป ในประวัติกรุงศรีอยุธยาเมื่อพม่ายกทัพวัดวาอารามราบ ในบริเวณนั้นพม่าไม่ยอมทำลายเสียก็คงจะมีสิ่งๆที่มาอยู่ใหม่ ก็ได้แต่รำพึงในใจว่าพระครูปลัดอย่างเรามันก็จนเหลือกำลังน่ะทุนทรัพย์ก็ไม่มีจะดูสภาพแวดล้อมชาวบ้านทั่วไปก็ปากกัดตีนถีบด้วยกัน ความเก่าชราก็ปล่อยให้ผู้คนได้ ใกล้จะ 4:00 น. นอนพักผ่อนอยู่เสียงผู้ชายแก่มากเลยบอกโบสถ์พังโบสถ์ท่านพังแล้วนะวันนี้อย่าไปไหนนะห้ามไปไหนไปไหนไม่ได้นะวันนี้โบสถ์จะพังเสียงปลุกให้ตื่นตอนนั้น 4:00 น. นิดหน่อยเสร็จแล้วก็สงสัยสมาธิทําจิตสงบเสียงก็ดัง กระสิปอยู่ข้างหูจนสว่างนั่นนั่นแหละ 4:00 น. จนฟ้าๆนะท่านบอก เช้าๆในหน้าที่เจ้าอาวาสเสร็จท่านก็เดินตรวจวัดพอดีพบกับหรือเปล่าโบสถ์เราพังจริงมั้ยอยู่ เลยโคมชายอุโบสถที่ทําด้วยไม้เก่าแก่หักหน้าหน้าโบสถ์ก็ยุบคว่บลงทาง ไม่รวมเนี่ยไม่งั้นยุบลงมาข้างหลังน่ะนะก็เลยเชื่อว่าสมาธินี่ เมื่อสมัยเริ่มตั้งแต่ปีวัดพรบุรีกับพระอาจารย์แต่การได้มาเนี่ยอาตมาออกเกลียนะบางครั้งสติไม่ บางคนก็พูดกันดูเรื่องดีเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลบางคนก็ 7 ปีถึงสร้างสําเร็จน่าเบื่อน่าที่สุดพ่อบอกว่าวันที่ผัดพรกับเทพเทวดา จดไว้ละเอียดละอหลวงพ่อท่านก็ขออืมเสร็จบอกก็ปรากฏบอก เขาจะมาร่วมงานสร้างเองไม่ต้องพะวงให้ใจหมุ่นหมองหรอกเสร็จรอบๆ ตลอดใจนะถึงความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงคิดไปคิดไปสายตาก็มาสะดุดอยู่ ที่ที่เดิมนั่นแหละอ่าก็บอกพระครูทําเถอะอ่ะมันจะสําเร็จเป็นโบสถ์แน่นอนกุบาธิการเปล่า การวางแผนงานสร้างโบสถ์เริ่มขึ้นแล้วก็ได้ทุนทรัพย์ครั้งแรก ชื่อถ้ำมืดเขาหลวงแต่เดิมถ้ำมืดเนี่ยเป็นถ้ำที่มีงูพิษพวกงูจงอางงูเห่าดงมากมาย งูจงอางตัวนั้นใหญ่ไม่ยอมให้เข้าอ่ะในถ้ําก็น่ากลัวก็บุกบันไปลําพังคนเดียวก็เรียก พอท่านมาเจออุปสรรคสกัดขวางขวาง สืบทอดพระศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไปไม่ได้บุ่งหวังเอาไปสร้าง หลังจากอธิษฐาน